พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธา น, านีแสดงธรรมเมื่อวันที่18กรกฎาคม2555มีชื่อเรื่องว่าการได้ยินได้ฟังย่อมเกิดปัญญา วันนี้เป็นวันพระเดือนเจ็ดดับวันเพ็ญหน้าเนี่เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันอสราหะบูชาพันเข้าพรรษาปี2555้าอห้าสิบห้าวันนั้นให้หมู่ทุกวงที่จะจำพรรษาก็ให้ตั้งอกตั้งใจตัดสินใจหรือว่ามีความตั้งใจไว้ในใจไม่ใช่ว่า พอทำเข้าไปแ ล, ล้วคำคำกึ่งๆงกระด้างกระเดืองโดยที่ไม่ได้ปักใจแต่ตามไม่จริงนักพจนักบวชอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่มีอะไรอยู่ที่ไหนก็เพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาแต่ถ้าว่าอยู่ตรงไหนที่จะเกิดประโยชน์กับตนเองไม่ต้องใช่เกิดประโยชน์กับชุมชนเกิดประโยชน์กับตนเองเพราะเรามาสแสวงหา ธรรมะเข้าสู่จิตใจก็ควรจะปักหลักหรือว่าควรทำหรือควรปฏิบัติอยู่จุดนั้นแต่ที่วัดของเราผมว่าเรื่องความสงบสงัดพวกเราหาได้หี่หามุมสงบได้กลางวันเราจะไปเดินโุกมที่ไหนก็เดินได้เพราะที่ของวัดวัดของเรามันกว้างถ้าคิด เป็นเฉลี่ยออกมาแล้วพระ 3- 40นะี่รูปเนี่ยถ้าคิดเฉลี่ยออกมาหารกันแล้วก็ตกองละิบกว่าไร่เหมือนกันเพราะนั้นผมจึงบอกว่าวัดของเราเหมาะกว้างที่พวกเราจะเลือกปฏิบัติเว้นเสียแต่ว่าพวกเราจะเอาหรือไม่เอาเท่านั้นเองเราจะจริงจังหรือไม่ไม่จริงจัง เท่านั้นเองแต่สถานที่ผมว่าเหมาะและก็พร้อมกันเราจะฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตาก็มีวิทยุได้ศึกษาได้ฟังเปิดเมื่อใ่ได้ฟังเมื่อนั้นเปิดกลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเน้นหนักกลางคืนให้หมู่ฟังให้หมู่ศึกษาพวกท่านทั้งหลายเป็นพระน้อยพระหนุ่มอย่าขี้เกียจในการฟัง อย่าไปฟังทะเลทล่อย่าไปฟังเสียงอย่างอื่นร้องรำทำเพลงไม่ควรจะมีแต่ธรรมเทศนาเนี่ยนี่แหละให้พวกท่านทั้งหลายฟังการฟังธรรมเทศนาหลายครั้งต่อหลายหนฟังครั้งนี้ได้ความรู้อย่างหนึ่งฟังครั้งต่อไปก็ได้รับความรู้อีกส่วนหนึ่งได้ครั้งละเหลี่ยมครั้งละแง่และมุม จากนั้นก็เข้าใจในพระธรรมคําสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แนะนําสั่งสอนอบรมพวกเราก็จะได้นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายใจของเราจากนั้นเราก็จะเป็นพระซีสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้สรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะหมู่พวกเพื่อนนะพวกท่านจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ไม่ไม่ใช่ว่าซื่อบื้อเส า, าขึ้นมาแล้วก็เฉลียวฉลาดไม่ใช่นะพวกท่านต้องศึกษานะต้องฟังนะ ผมเองผมก็ยังไม่เคยทิ้งในเรื่องการฟังการศึกษาเพราะว่าการฟังฟังเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับความสบายได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเพลิดเพลินในการฟังธรรมเทศนาเนี่ยมันตรงกันข้ามนะเท่าฟังเสียงโลกนะ่ยฟังเท่าไห ร, ร่จิงใจจ่งร้อน ถ้าฟังธทรรมใจเย็นนะเราต้องคิดปรับปรุงกายใจของเราพอฟังเท่าไรใจของเราก็ยิ่งเย็นมีความสุขพระท่าขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยอย่าไปมั่วสุมคุยกันการคุยกันมันไม่ดีหรอกมันไม่เป็นไม่เป็นผลดีต่อตนเองไม่เป็นผลดีต่อวัดวาศาสนาอีกต่างหาก พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านตำหนิอย่างมากถ้าตั้งกลุ่มคุยกันเรื่องผูดเรื่องสัพเพเหระมีแต่ส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกผลที่สุดก็ทำให้วงการพระพุทธศาสนามัวหมองเสียหายเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะนั้นให้พวกเราเข้ามาครั้งนี้บวชมาคราวนี้ต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติพวกเราจะได้รู้แจ้งเห็นจริง ในทำคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราได้ฟังแล้วพวกเราจะรู้ว่าวิธีการปฏิบัติกับตนเองทำอย่างไรวิธีนั่งทำยังไงแต่ธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยเรื่องศีลท่านไม่ได้บอกพัฒนไม่ได้เน้นหนักเท่าไหร่มีแต่ว่าให้เคารพศีลและวินยัยแต่เรื่องรายละเอียดหลวงตาไม่ค่อยบอกแต่ไม่เหมือนของผมผมบอกในรายละเอียด าสำหรับหมูพวกเพื่อนแต่องค์งตาท่านไม่ได้บอกท่านแต่จะเน้นหนะักเรื่องสมาธิกับปัญญาสมาธิท่านก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่มีเท่ะบอกว่าให้จริงจังกับตนเองเท่านั้นแ่ะให้มีสมาธินะสมาธิในต้องบังคับนะให้จิตใจอยู่กับตัวเองตลอดนะให้อยู่กับพุทธโธตลอดนะบังคับนะถ้าจะให้มันปล่อยให้อยากจะให้มันคิดเสียก่อนอย่ค่อยทำ ไม่มีทางเพราะนั้นต้อ ง, งบังคับบังคับให้ใจอยู่กับพุทโธหรือว่าใจอยู่กับการเคลือ่อนไหวการเป็นอยู่ของตนเองอันนี้เมื่อเราบังคับใจของเราอยู่กับตนเองแล้วนั่นแหะต่อไปใจของเราก็จะเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิใจของเราสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรจากนั้นก็เดินพิปัจนาเดินปัญญาพิจรารณา ในจังทุกขังอานาตาพิจารณาร่างกายสังขารพิจารณาความเกิดความเสื่อมของร่างกายอย่างที่หลวงปู่แบรนท่านพูดเมื่อวานอีกพระพุทธเจ้ากรถามพระอา น, นุ์ว่าอานนท่า น, ท, านท่านคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอา น, นุ์ก็ตอบด้วยความภาคภูมิใจว่าข้าพระ อ, องค์ระลึกถึงความตายวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะ พระพุทธองค์ยังว่าประมาทยังว่าประมาทอยู่ในอานุห์ต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจแล้วไม่เข้าก่อยใจหายใจไม่ออกก่อยใจอันนี้ก็คือความตายของเราเยมันทีกว่านั้นถ้าเราไปพิจารณาดูแล้วมันทีกว่านั้นมันเป็นวินาทีไปเลยมันผ่านไปผ่านไปมันคง้ครเข้ า, าเสี่ยววินาทีอีกต่างหาก ความตายของเราต้องระลึกถึงความตายให้อยู่เสมอจึงจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทท่านหงปู่แบรนท่านพูดเมื่อวานเราก็เออใช่ใช่กับพิคราะห์ออกมาในลักษณะอย่างนั้นตาไม่จริงมันก็ตายอย่างนั้นจริงๆมันไหลไปเรื่อยเื่มันจะไม่มีช่องจังหวะมันไม่มีช่องว่างเลยที่ความแก่ของเราจะไม่จะไม่มีมันไหลไปเรื่อยๆ เพราะนั้นเราจะคิดถึงโร้อยครั้งในวันหนึ่งมันห่างเกินไปถ้าขนาดคิดทุกลมหายใจเข้าออกมันก็ยังห่างอีกอยู่ทันว่างั้นนะเอี่ยเราคิดตลอดไปเลยวันร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพร้อมที่จะแก่เจ็บตายได้ทุกไปร่ำเวลาเนะี่ยไม่รู้ว่าวันไหนล่ะนี่มันจะต้องถึงจุดจบของมันนะ อันนี้ก็คือการให้แนวความคิดเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพระของเราทุกองค์ต้องบวชใหม่บวชเก่าผู้มีหลายพรรษาแล้วก็มีผู้น้อยพรรษาก็มีแต่ถึงอย่างไรก็ขอให้พวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะตั้งใจภาวนาในพรรส น, นี้ให้พยายามหลีกเลนหาที่สงบสงัด แต่พวกเราไม่คุกคีกันพยายามหาหาที่สงบสงัดได้แล้วผมว่าความเจริญทางด้านจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนี่ถึงความพร่มเย็นเป็นสุขนะแต่พวกเรามีแต่ส่งจิต อ, อกสงใจออกไปข้างนอกอยากจะยิ้มเวลาได้ก็ยิ้มกันยิ้มโดยธรรมอีกอย่างหนึ่งแต่ยิ้มโดยกิเลสมันเป็นกิเลสนะ แมันเป็นกิเลสในใจกิเลสหลอกใจตัวเองเลยก็ยิ้มยิ้มไปทางโลกนะถ้ายิ้มไปยิ้มไปในทางธรรมอีกอย่างหนึ่งนะสุขหนอสุขหนอนะเะีคือเห็นการประพฤติปฏิบัติใจของเราหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะอันนั้นว่าสุขหนอสุขหนอนะเนีอันนี้มันเพลินไปตามกิเลสเ อ, อันนั้นเป็นวัาหลงหลงหลงไปในกิเลส กิเลสพาไปากิเกลสราคะพาไปากิเลสโทสะพาไปากิเลสโมหะพาไปมันหลงถ้ามันหลงอย่างนั้นมันจะหาความทุกข์เข้ามาใส่ตนเองอีกสักวันหนึ่งมันจะระเบิดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะดูใจของตนเองสรุปแล้วอย่าส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกให้ดูใจท่านดูใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจับใจทั้งหมด ถ้าดูใจดูต้นตอของมันแล้วนั่นลหละระงับที่ใจของเราแล้วอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันไม่ดีเราก็รู้พอเราเฝ้าอยู่เฝ้าดูใจของเราอยู่มันจะคิดเรื่องอะไรเราก็รู้มันจะคิดเรื่องดีเราก็รู้เราจะคิดเรื่องชั่วเราก็รู้เราจะคิดความอิจฉาปยาบาทโมโหโกธาให้แก่ใครเราก็รู้นะมันรู้อยู่ที่ใจเพราะใจเป็นต้นตอเป็น ต้นหลักแห่งเรื่องทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะทั้งทุกข์ทั้งสุขด้วยนะสุขก็คืออะไรถ้าเราคิดไปในทางที่ถูกต้องก็เป็นสุขแต่ว่าเป็นมักมักคะเป็นหนทางนะแต่เราคิดไปในทางอากุศลไปทางชั่วนันะ่นเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดไมพวกเราต้องอกตั้งใจนะในพรรานี้นะตอนนี้ไปสวดท้ายเพราะปฏิโมก